เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวศึกษาพระธรรมกันนะในวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็ในครั้งที่แล้วก็ในพูดในเรื่องของพุทธคุณนะก็จะต่อในเรื่องของคำว่าจเจริญพุทธคุณต่อในสึการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราศึกษากันมาตามลำดับเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญ ประการแรกๆเลยเนี่ยนะก็คือการมองเห็นคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นการเห็นคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะเมื่อเราเข้าใจคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างดียังอื่นเนี่ยก็เข้าใจหมดจัตโรคทั้งหลายที่ไม่ได้บรรลุเนี่ยหรือไม่สามารถตัดสู้ตามพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เนี่ย เพราะสัตว์โลกนั้นไม่เห็นพระคุณของพระผู้มีพภาคเจ้าฉะนั้นการเห็นคุณของพระผู้มีพภาคเจ้านั้นจึงเป็นปัจจัยหลักแล้วก็เป็นปจัจจัยสาคัญที่จะเป็นตัวสืบค้นเข้าหาพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพภาคเจ้าแล้วก็ได้ตัดสรู้ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ฉะนั้นการเห็นคุณของท่านเนี่ยจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักและก็ระลึก บางศัพท์ท่านใช้คำว่าสาเนีมหรือศึกษานะก็คือว่ามีการตระหนักในคุณของท่านบางทีท่านก็ใช้คำว่าพุทธคาลาวตาใช่ไหมการตระหนักในคุณของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าดูในคำพีที่กล่าวถึงในเรื่องของคุณของท่านทั้งหลายเนี่ยก็มีกล่าวไว้ทุกเล่มถ้าพระไตรปิฎกเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นฉบับแบบสี่สิบเล่มสี่สิบห้าเล่มแปดสิบเล่มเนี่ยเก้าสิบเอ็ดเล่มเนี่ยไม่มีเล่มไหนเลยที่จะไม่พารณาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีทุกเล่มเลยฉะนั้นการที่ท่านพารณาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นข้อบ่องบอกอะไรเป็นพ่อข้อบ่องบอกให้เราท่านทั้งหลายนั้นนั่ะหนักถึงคุณงองท่านแม้ในชั้นของคัมภี์โดยทั่วๆัวไปเนี่ยนะ ท่านก็จะต้องกล่าวสละเสริญคุณของท่านตามเป็นไปตามลําดับทีนี้โดยเฉพาะที่เราจะมาศึกษากันในการเห็นคุณของท่านให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือว่าศึกษาในเรื่องของพุทธคุณเพราะการศึกษาพุทธคุณแล้วก็เข้าใจทุกอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยถา้าทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ลันมีอยู่คําที่เราสวดกันเป็นประจำเลยใช่ไหมในการทําวัดสวดมนตเนี่ยเริ่มตั้งแต่อะไรอาธิการยานังนสโสธรรมมังเทเสธิอาธิการยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานักัลยานังเป็นต้นเนี่ยนะเพราะผู้มีพระเจ้านั้นทรงอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงยอมสละความสุขอันเกิดแต่วิเวกอันยอดเยี่ยมปกติพระเจ้านี่มีวิเวกใช่ไหมโดยเฉพาะนิสรณวิเวก คือมีพระนิพพานนั้นเป็นอัธยาศัยอยู่แล้วพระองค์นั้นเนี่ยมีพระมหากรุณาที่คุณก็ไม่ยอมอยู่ในวิเวกอันยอดเยี่ยมเหล่านั้นก็ยอมออกมาแสดงว่ารำพระธรรมนั้นจะน้อยหรือมากก็ตามพระองค์ก็เมื่อแสดงเนี่ยก็แสดงอยู่สามประการนะมีความงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางแล้วก็งามในแม้ในพระคาถาบาทเดียวก็เชื่อมีความงามในเบื้องต้นในบทต้นเชื่อว่างามในท่ามกลางในบทที่สองแล้วก็ในบาทที่สาม ใช่ไหมคถาบาดเดียวเนี่ยบาดที่หนึ่งก็เป็นความงามในเบื้องต้นบาดที่สองเป็นความงามในท่ามกลางบาดที่สามก็เป็นความงามในที่สุดหรือบาดบาดที่หนึ่งนะถ้าเป็นพระคาถาเนี่ยส่บาดคถาใช่ไหมบาดแรกนั้นเป็นความงามในเบื้องต้นบาดที่สองกับบาดที่สามนี่เป็นความงามในท่ามกลางบาดสุดท้ายก็เป็นความงามในที่สุดอย่างนี้เป็นต้น ถพระสูตรที่มีอนุสนธ์ที่เดียวก็ชื่อว่ามีความหนึ่งเบื้องต้นก็ชื่อว่ามีความงามในที่สุดลงท้ายเป็นต้นเราเนี่ยนะอันนั้นก็ทีนี้พระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาที่บอกสัตวทั้งสปยัญชนังเกวราปริบุญนางบริสุตังพระมจริยังประกาศสี่เป็นต้นเหล่าเนี้ยนะทรงประกาศาศาสนาพรหมจันทร์แล้วก็ประกาศมัคคพปปรมจันทร์ทําไมต้องประกาศาศาสนาพรหมจันทร์ก่อนทําไมไม่ประกาศมัคคพรปรมจันทร์ คือประกาศศาสนาพรหมจันทร์เพื่อจะเป็นตัวชี้แนวมรรคพรรมจันทร์หรือโลกุตระธรรมนะให้สัตว์ทั้งหลายนั้นเดินตามศาสนาพรหมจันทร์คือพระธรรมคําสอนนะเพื่อเข้าสู่มรรคพรหมจันทร์คำว่าศาสนาพรหมจันทร์ก็แปลพรหมจันทร์คือศาสนาหมายถึงศิกขาสามนั่นเองคือกล่าวคือศีลสมาธิปัญญาและทํามันเป็นแบบแผนถ้าเรียกตันติธรรมเนี่ยสันมรรคพรหมจันทร์เป็นพรหมจันทร์คือมรรคหมายถึงอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แป ในรายละเอียดถ้าไปเก็บ ด, ดูก็ต้องไปดูในสาราธรรมทีปณีดีกาใช่ไหมในสมัญต์ภาษาธิกาท่านก็ขยายไว้ยอ่อนั้นถ้าหากเสพคน้นคนที่จะมีความเข้าใจในพระธรรมคําสอนของพรุทธเจ้าเป็นอย่างดีก็คือจะต้องมีการเชื่อมโยงพระธรรมคําสอนของพรุทธเจ้าได้อย่างดีนะที่นี้พร้อมด้วยอัฏฐ ก, ก็ประกอบไปด้วยความที่ว่าข้อความที่ประกาศยอ่อแล้วก็เปิดเผยจําแนกทําให้ชัดเจนการที่ว่า พระพุทธเจ้าประกาศย่อๆเขาไว้ใช่ไหมคนก็จะไม่เข้าใจพระองค์ก็เปิดเปิดเผยออกมาใช่ไหมเปิดเนเปิดแล้วบางคนไม่เข้าใจใช่ไหมพระองค์ก็จําแนกพอกจําแนกแล้วก็ยังไม่เข้าใจอีกพระองค์ก็ทําให้เป็นไปเห็นไหมจะมีสามขั้นตอนเนาะทําให้เป็นไปยังไม่เข้าใจอีกนะทําให้ทําให้เป็นไปยังไม่เข้าใจชักอุบมาแล้วบรรัญญัติทำต่างๆเข้ามาเอาจนเนื้อสัตว์นั้นเข้าใจนั่นแหละคือพระธรรมของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเราสืบค้นไปจนถึงว่าทั้งยอ่อทั้งเปิดเผยทั้งจำแนกทั้งทําให้ชัดเจนและอุปมาและบัญญัติอีกมากมายก็ยังไม่ได้บรรลุเนี่ยก็งั่นแหละประทับประะ ม, ม์พระธรรมให้เห็นว่าสนาเขาเรียกว่าศาสนาภาคียะนะพร้อมทั้งอัถฐ า, านและพยัญชนะนเวลาพระพุทธเจ้านประกาศพระธรรมคำสอนพร้อมด้วยพยัญชนะหมายถึงว่าด้วยอักษรเน บทคดีพยัญชนะอาการนิรุติและก็นิเทศทั้งหลายชื่อว่าพร้อมด้วยอัถะคือาศาสนาพรอาจารย์เป็นต้นลึกซึ้งด้วยอัฏฐแล้วก็ลึกทึ่งโดยปฏิเวทอันะ้นเป็นผลเนื้อความนาะทำให้เราเจาะอัถฐรู้แจ้งอัถฐรู้แจ้งเนื้อควา ม, วามรู้แจ้งความหมายได้ไอการรู้แจ้งความหมายแต่ละศัพท์แต่ละคำเนี่ยนะจะทําให้เป็นปัจจัยให้เราบรรลุ ป, ปฏิเวทปฏิเวทอันแรกก็คือโลกยิยะปฏิเวททายา แล้วเพื่อจะแทงตลอดโลกุตระปฏิเวทยานไอโรกียะปฏิเวทยานเพื่ออะไรไม่ลุ่มหลงในปรมัตยบัญญตัติในชั้นของของของคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ไปแทงตลอดแบบเขาเรียกว่าไม่ละความลุ่มหลงโดยแต่ทางข้าวหารโดยการขณะแต่ละขณะอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยจะถูกความหลงเนี่ยคอยปิดเป็นระยะระยะโมหะเนี่ยแม้ในขณะฟังธรรม ถ้าใจเราส่งออกจากเนื้อทําเมื่อไหร่ไปว่าเราจะถูกโมหะปิดทันทีมันขนาดนั้นเนะฉะั้นท่านเราต้องฟังไปใข่ควรไปพิจารณาไปตรวจสอบไปเรื่อยๆมันแปลว่าโมหะก็จะถูกเปิดแสงสว่างมันเปิดออกใช่ไหมความมืดก็ไม่ได้ปกคุมใช่ไหมแต่อย่าส่งใจไปทางอื่นนะหรืออย่าให้อะไรมันรบ ก, กวนจิตนะท่านได้ขนาดนั้นนะเกิดกิเลส อาสะวะทั้งหลายรบกวนกิเลสในขนาดนั้นเนะี่ความมืดมันจะค่อยๆปิดไปเลยมันขนาดนั้นนะ่ยนี่เขาเรียกว่ามันไม่เปิดเผยฉะนั้นลึกซึ่งโดยอัดลึกซึ่งโดยปฏิเวทปฏิเวทมีสองส่วนในทางด้านของโลกิยาปฏิเวทากับโลคุตระปฏิเวทะถ้าโลกิยาปฏิเวทาก็คือละความลุ่มหลงโดยแต่ทางกับทหารโดยโดยลุ่มหลงในปรมาภิษฐ์และเบญจญ์ละได้โดยแต่ทางคะยังไม่เด็ดขาด ถ้าโลกุตระปฏิเวทยา น, นนั้นละความลุ่มหลงในปรมาัาทและบัญญัติได้อย่างเด็ดขาดในขณะเองมมัก น, นี่นั่นก็ไปเดิยขยายก็ว่ากันดีส่วนพร้อมด้วยพยัญชนะนั้นก็คือศาสนาพระมจรรย์ลึกซึ้งโดยธรรมและก็ลึกซึ้งโดยเทศนาพยัญชนะเนี่ยนะแล้วท่านเดี๋ยวท่านจะไปขยาย ที่ชื่อว่าพร้อมทั้งอัฏฐาเพราะเป็นอารมณ์แห่งอัฏาปฏิสัมมิทาแล้วก็ปฏิพานนะปฏิสัมมิทาก็ได้พร้อมด้วยพยัญชนะเพราะว่าเป็นอารมณ์แห่งธรรมะปฏิสัมมิทาและนิรุตติปฏิสัมพันธไอ <c oughs> ตัวนิรุตเนี่ยตัวนิรุตติเนี่ยเนี่ยนิรุตติเนี่ยก็แปลว่าการรู้รู้รู้ภาษา <c oughs> อย่างคนที่สามารถรู้ รู้ภาษาแตกฉานในภาษาอย่างมากมายนั้นเป็นนิรุตอย่างหนึ่งแต่หมายความว่าจริงๆท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ทุกภาษาเพราะพุทธเจ้ารู้จากภาษาเดิมคือตันติภาษาคือภาษาบาลีแล้วก็รู้ด้วยว่าภาษาต่างๆแตกออกจากภาษาบาลีแล้วขยายเป็นพันเป็นล้านเป็นหมื่นภาษาทพระพุทธเจ้าจึงรู้ภาษาทุกภาษาเพระพระุทธเจ้านั้นรู้ตันติภาษาทุกทุกภาษาเดิมทั้งศาสตรย่างราในภาษาเดิมทั้งศาตร์เราเพี้ยนมาหมดแล้ว ใช่ไหมกรเพียนมาหมดแล้วเราไม่รู้ภาษาเดิมเท่นั้นคนที่เขารู้ภาษาเดิมคือเพระเปลี่ยนพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้เลยว่าก่อกาเนิดในโลกในจักรวาลในสังสารวัฏมาอย่างไงท่านจึงรู้ทุกภาษาเพราะท่านมียานอย่างรู้ทะลุทะวงเลยเขาเรียกสัพพัญญุตยานถ้ามีพระคือว่าอารมณ์มีเท่าไหร่พระยานก็รู้ได้เท่านั้น จักรวาลมีเท่าไหรพระองค์ก็รู้ได้เท่านั้นเนี่ยเนื้อโลกมีเท่าไหร่ก็ทรงรู้ได้เท่านั้นอยากได้อย่างนั้นไม่ได้กล่าไหมถ้าก้ากันเลยผูกบา ร, รมีสิบอุปปา ร, ปรมีสิบปรมาธรรมบารมีสิบไว้ในตนแล้วก็เดินฝ่าฟันอุปสรรคให้ครบยี่สิบอสงไข่จะได้เป็นปัญญาทิฏฐิสี่สิบจะได้เป็นสัทธาทิฏฐิถ้าแปดสิบอสงไถ่ยิ่งได้แสนหมหาตรัพจะได้เป็นวิริยาธิกะเอาไหมลนะ่ะ กลับไปบ้านก็มานั่งคิดนี่ก็ไม่ใช่บ้านของเรานี่ก็ไม่ใช่ทรัพย์ของเราเราจะบำเพ็ญบารมีแล้ใช่ม <c oughs> ใช่ ไ, มชไมผมคนเล็บฟันหนังเป็นต้นมันก็ไม่ใช่เนื้อหนังของเราอีกไหมเอาล้วเราจะทําบารมีแล้วเราจะปกบารมีในตนนะครับตั้งอัธยาศัยเลยก <c oughs> ้าไหมจะได้รู้ทุกอย่างบางคนเขาคิด ม, มุมนี้ยเขาเอาเลย เพราะว่าแม่การรู้ครึ่ๆงๆกลางๆเขาบอกเห ม, ม, ม่มันไม่มันไม่เต็มห้องหัวใจเขาต้องการรู้ทะลุทะลวงหมดใช่ไหมก็ก็ตั้งลื่อแต่เดี๋ยวนี้เลือรบมัอยังไม่เพราะวัาตายาวนานเนาะนแต่นั่นแหละจะได้เห็นคุณท่านพระอาจารย์เป็นเป็นที่เริ่มใสผู้คอยจ้องดูเพราะเป็นที่บัณฑิตจะเพึงรู้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพร้พรอมทั้งอัตถะ มอมจา์นี้เป็นที่เลื่อมใสของโลกเยชนและเป็นสิ่งที่ควรเชื่อจึงเชื่อพร้มทั้งพยัญชนะพร้อมทั้งอัฏฐาเพราะมีความลึกซึ้งนะพร้อมทั้งพยัญชนะเพราะมีบทชัดเจนแต่เราบทน่ยแต่เราพยัญชนะนี่ชัดเจนมากวุทิยาเนี่ยนะถึงบอกว่าพระบรมศาสดาเนี่ยท่านรู้ชัดเจนหมดแล้วที่เราจะมาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผย อ, อะไรกันแน่นะมันไม่มีความจําเป็นเลยศัสต์ที่เราจะมามาตั้งใหม่มาบัญญัติใหม่ เขาใจยังมันไม่มีความจําเป็นเลยเพราะพระเจ้านั้นตรัสได้หมดแล้วเพราะคําสอนพระเจ้าเนั้นถึงพร้อมได้อัถฐและพย็นชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมีความงามในเบื้องต้นทากลางเลยที่สุดมีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีทระท่านบรรยายท่านก็บอกว่ายกปัจจุบันเนี่ยมันต้องไปยุคคาสอนใช่ไหมมันต้องไปยุค ต้องไปยกเพราะมันจะต้องให้เข้ากับภาวะสังคมปัจจุบันอะไรต่งางนัๆไปใช่ไหมนี่พอเพราะเรานั่งๆอยู่พาก็ไปชมกันเยอะเขามีไม้ให้ถามก็ล <c> า <oughs> พาก็เลยเดินขึ้นไปถามถามว่าเขา้อไก่ครับถ้าทำคําสอนของมุทธาจ้าเนี่ยถึงพร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะด้วยและบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมีความงานในเบื้องต้นทางกลางเลยที่สุดถามว่า ที่พระ อ, องค์ทรงตัดไว้เนี่ยมันยังไม่พอเลยกับภาษาที่มาใช้ในปัจจุบันเลียงยังไม่ดีพอใช่ไหมเราถึงต้องตัดหาคำใหม่กันเพื่อมาประกาศมารับทุกคนก็พะกันตั้งหกเจ็ดร้อยไม่มีใครพูดสคํานั ง, งียบถามว่ามันมันมันมันมั น, มนจะต้องมีการเพิ่มเติมอีกใช่ไหมก่อนที่ท่านจะพูดคำนี้ท่านตรวจดูในพระใจรปิดกหรือยัง พระพุทธไตริกในแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างไหมที่มันขาดตกบกพรองหรือท่านจะต้องมาบัญญัติศับอะไรกันใหม่กันมาเนี่ย <hood> ล้วก็เลยไม่ไม่ไมีใครพูดเลยตั้งแต่นั้นเลยคนประก่อนก็เลยพงประชุมแทบแตกไปเล ย, เลย <hood> นี่ก็แลกวทะลุกลางบ้อง <hood> ไม่ดีจ ะ, ร, ส ะ, สะรักษาศาสนาหรือจะไปหาสัตรอก็ไปู แต่ครับได้พูดไปแล้วครับทําหน้าที่ไปก็เลยเป็นที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะสบายใจของคนมายินแต่แต่เราก็คิดว่าเออมันควรบอกก็ไม่รู้ท่านยังยืนยันหลักการท่านเดิมทุกท่านอยู่หรือเปล่าท่านที่เป็นผู้บรรยายท่านเพราถามท่านตรงๆท่านบรรยายได้สักไม่ถึงชั่วโมงปกติท่านต้องบรรยายสองชั่วโมงผหมือนปกตท่านบรรยายไม่ถึงชั่วโมงท่านเลยจบ เป็นกลรมเหมือนกันนียโยมวันพินเนาะมีกรรมไม่ค่อยดีต่อไปจะไปทำอย่างนงเดี๋ยวเนี้ยอาจารก็กลัวกรรมส่งผลเหมือนกันเดี๋ยวโยมวันพียกมือขึ้นมาท่านนจะมากไปล่ยเออเอเอาเก้าอี้เด่นเ่นถ้จะนั่งฟังโอเด่นก็อยากนั่งฟังเขาบเข่เด่นเขปรารถนาฟังเขาจะเอาเทปไปให้อ เขาจะไปเสร็จไปเขายังบอกจะขอเทียบมาไปฟังขว้างม่รูเชื่อได้กันไหนกันเมื่อคืนหลังนอนเมื่อคืนนอนเคิะมือสองชั่วโมงทำไมเด็กๆมีอธัธยาศัยอย่างตรงนี้ก็เดี๋ยวให้เข้าคือการศึกษาพุทธคุณจะเห็นอะไรเห็นโทษของสังสารวัฏตรงนี้สำคัญเห็นคุณของวิวัตตะ เห็นโทษของวัตตาเห็นคุณของวิตาของวิวัตะามันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของคําว่าในชั้นของอัตถกถาเนอะเออในคําว่าสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปวะอะรหังผ่านไปสัมมาสัมพุโทโธก็สรุปสรุ ป, รปแบบสันส้นๆไปแล้ววิชาจารณาสัมปันโนถึงพร้อมไในวิชาและจารณาแล้วก็สุขโตสุขโตทีนี้ถ้าหากดูจากคําสอน คำสอนในลักษณะว่าพอไปถึงในบทของคำว่าวิชาเจรณาสัมปโนวิชาสามหรือวิชาแปดาวิชาสามได้บอกไว้แล้วก็ไปดูในภวะเพราวะสูตรในมูลปันาตมหิมัิถกายวิชาแปดนะก็ในอัมพัทสูตรนะก็ไปดูตรงนั้นก็ในทีฆนิกายสีรขันฐาวักฉะนั้นในรายละเอียดตรงนั้นน ะ, นะก็ก็ไปไปตรวจสอบ สำหรับบุคคลที่ต้องการข้อมูลค้นคว้าทั้งหลายในรายละเอียดทำสิบห้ประการคือศีลสังวานความคุ้มครองในทวารคือินรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคมันประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นสัตธรรมเจ็ประการน่ยนะมีศรัทธาเป็นต้นแล้วก็รูปฌานสี่รวมเป็นเจรณะสิบห้เหล่านี้เขาเรียกเจรนังหรือเจรณะสบห้ถ้าไปพิจารณาก็คือว่าพระบรมศาสดาเนี่ยตรัสเรียกเจรณะเพราะ เป็นเครื่องเที่ยวไปคือดําเนินไปสู่อมตะทิศคือทิศที่ไม่ตายคือทิศเนี่ยมันจะมีสิบทิศในบรรดาสิบทิศเนี่ยเที่ยวไปตายหมดเลยทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกแล้วก็อนุชีติสี่ทิศเบื้องบนและทิศเบื้องต่ําอย่าเที่ยวไปนะสิบทิศนี่เนี่ยเขาเรียกเป็นทิศที่ไม่ใช่อมตะเป็นทิศตายแล้วตายตายแล้วไปกุศชาติทุกชรลาทุกหมรณะทุกแต่ถ้าอมตะทิศนั้นเป็นทิศที่พ้นจากทิศทั้งสิบนี้ หน้าไปแต่สัตว์ไม่ค่อยชอบไปกันเพราะสัตว์นั้นติดอะไรติดวัตตะกันติดวัตตะเหมือนที่พูดเมื่อวานเนี่ยยมยันจุรีใช่ไหมติดคุกจนจนไม่คิดว่าเป็นคุกซะแล้วคิดว่าเป็นบ้านเห็นสังสารวัฏเป็นบ้านไปซะแล้วแล้วคนจะมีใครก็คิดอยากจะออกที่ก็เลยเล่าเรื่องประกอบใช่ไหมมีฝรังอยู่คนหนึ่งติดคุกจนออกจากคุกไม่ได้ออกมาจากคุกก็เลยต้องคาเดอดถ่า นั่นไงตอนเนี้ยพวกเราเนี่ยมันเป็นตรงนี้กันอยู่แล้วเนี่ยอยู่ในวัฏะแต่มันติดวัฏฏะแล้วไม่สําคัญว่าวัฏฏะเป็นโคกเมื่อไหรเนาะดวงจิตในน้อยของเรามันจะคิดว่านี้มันเป็นโคกใช่ไหมหรือคิดว่าเป็นโคกแล้วเออมันก็ยังดีใจอยู่ได้ไอ้ตรงนี้เสียหายเลยทั้งๆ ท, ท, ที่รู้เนี่ยเป็นโคกแต่มีหลายหลายคนบอกไม่กล้าออกจะโคกนี่ตรงเนี้น่ากลัวตรงที่ไม่กล้าออกจะโคกเพราะกลัวอะไรกลัวตาย กลัวตายแบบท้าวลี่เห็นต้องไปนั่งคิดว่าอะไรมันเกิดขึ้นเ พ, พราะว่าธรรมของพระเจ้ายังมีกําลังอยู่ใช่ไหมยังแผ่ไปอยู่ยังคิดขนาดนี้ถ้าหากแสงเทียนอันนี้ดับไปแล้วความคิดนี้จะมีเหลืออยู่ไหมไอเ น, นี้ยก็ต้องไปไปไปไ ป, ไปนั่งนั่งคิดใช่ไหมโดยเพราะตาหูจมูกเล่นกายใจก็เป็นคุกสัตว์โลกมันออกจากตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ได้แช่เขาประมาณเยอะอัลมาเนี้ยมันวิ่งออกไม่ได้ เออไปนังคิดดูว่ามันเพราะอะไรเนี่ยมันถึงไม่อยากออกจากตาอุ้ยยังหมุกลิ้นไกใจกันจริงๆเนี้ยคิดจะออกไว้ละกี่ครั้งต้องไปถามนักโทษดูทีที่ก็ถูกจับติดคุกเนี่ยก็อยากออกทุกวันเลยนะพระโพธิสัตว์ก็อยากออกจากภพทุกวันเลยนะและเราแหละอยากออกจากวัดตาวอยากออกจากภพทุกวันต้องถามใจดูใช่ไหมว่าอะไรมันเกิดขึ้นกันแน่เนี่ยหร่เรายินดีในคุกเปิดซะแล้วแต่ยินดีในคุกอ้าว แล้วก็เป็นสัตว์ที่เป็นไปแล้วก็เป็นสัตว์ที่เป็นเป็นเป็นขาหนุวะตะใช่ไหมคือสัตว์ที่ยินดีในวะตาเสียแล้วมันยินดีในวะตาก็ยินดีในคุกยินดีในโซ่ตรวนที่ก็าผูกใช่ไหมยินดีในแท่ที่เขาเคียนเขาทบเขาตียินดีในมีดที่เขาจะต้องเชือดแล้วเชือดอีกนี่นะยินดีในเข็มหรือยินดีในนิดหมอยังไงต้องอย่างญารย์เนี่นยญญต้องเขา้าเข้าโรงพยาบาลให้เขาตัดเล่นอย่างเงี้ย มันสนุกไหมเนี่ยพกทีจริงๆแล้วสนุกไหมวันๆก็นอนนั่งกินยากันอยู่เนี่ยเออมันสนุกไหมเนี่ยใช่ไหมเดี๋ย ว, วาได้เวลาเราต้องกินยาดี๋ยได้เวลากิกนยายกเออยังเพลิดเพลินได้เนี่ยเนี่ยประหลาดแท้ใช่ไหมทั้งๆเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดเฮ้ยยังแก้ไขได้ไม่เป็นพ่ออะไรไม่ก็อยากออกอะไรมันขนาดนั้นนะเ น, นเอะว่ไม่อยากออกไม่อยากจะเดินออกว่ามันเป็นอะไร งูไม่เอามาก็ไม่นั่งนะนอยก็ถามตัวเองต้อเป็นอะไรเนี่ยต้อไม่ชอบใจอะไรกันแล้วกันเนาะทำไมตั้งๆนี่มัเป็นโทษทั้งนั้นเนี่ยนะสารพัดหมดเลยไม่ตั้งภายในและภายนอกต่างๆเนี้ยมันมองไปตรงไหนมันก็เห็นว่าไม่ดีแต่ทำไมไม่น่าไม่ออกนี่ถ้ามองนี้เขาเรียกว่าเห็นนะเห็นวัตตาเห็นสังสารวัฏนี่มันเป็นภัยจริงๆใช่ไหม เห็นมปนไปก็ไปต้องคิดออกจริงๆเยอะมาเออมันมันชื่อว่าชมยินดีอะไรขนาดขนาดยังไงเรื่องเจ็ดเดียวก็ไปแล้วก็มานึกมันก่อนนี้มัต้องบอกนงบอกเออเนี่ยเราม่ น, น, นั่งดูบ้านทุกวันในตายมั น, น, น, นมันเป็นยิ่งจบโลกเห็นลูกค้าวยิ่งจบอีกมาร้องทักบอกแม่แม่แม่เขาไปฟังเขาเขากลัว ก็ยังไม่เห็นใช่ไหมมันออกไม่ได้ไม่ออกแก๊ตาหงายหมูดิ้งไก่ใหญ่ไม่ได้อันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องเอาไปตีให้แตกเนาะเป็นการบ้านเลยอัย่นเมื่อคืนดูการบ้านเป็นไงเอาการบ้านไปทบทวนดูแล้วเป็นไงแล้วมันรู้สึกมันมันเพิ่มขึ้นไหมนี่ความเห็นโทษของสังสารวัตรเห็นพุทธคุณมากขึ้นไหมอันนั้นก็เออเริ่มดีขึ้นแต่อย่าให้ลดลงเพิ่มทุกวันเพิ่มทุกวันเพิ่มทุกวัน ถ้ามันลดลดลดลดลงเนี่ยแสดงว่ามันเหมือนเสื่อมเนี่ยพ่านเสื่อมได้โลกญะเนี่ยความเข้าใจในพระธรรมคําสอนความเข้าใจเห็นโทษของสังสารวัตต้องเพิ่มมันเพิ่มได้จากการฟังเพิ่มได้จากการไข้ควรเพิ่มได้จากการเอาไปตรึกไปพิจารณาไปวิจัยใช่ไหมมันเป็นกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมเล่นเนาะไอกิจกรรมการคิดเอาเก็บทุกข์เนี่ยเออไม่ใช่กิจกรรมเล่ น, เ ล, นเลย มันเป็นกิจกรรมทั้งหมดของชีวิตว่าเราจะดาเนินชีวิตไปยังไงเนี่ยในขณะที่เราถูกพัชราลุมล้อมพยาธิห้ามหันเห็นไหมมรณะไทยก็บีบลัชเนี่ยมันเป็นกิจทั้งหมดของชีวิตเลยนะมันไม่ใช่เป็นกิจกค่อยเป็นค่อยไปเลยแต่เราไปคิดว่ามันเป็นกิจเมื่อไหรก็ได้หรือเป่า แต่ที่จริงมันเป็นกิจเร่งด่วนมันเป็นภารกิจเป็นหน้าที่อันนี้สําหรับคนที่มองหน้าศาสดาออกแล้วแต่ถ้าใครมองหน้าพระศาสดาไม่ออกเราก็ย <laughs> ังมองเห็นว่าเป็นกิจธรรมดาแต่ถ้ามองหน้าพระบรมศาสดาออกแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นกิจเร่งด่วนถ้านโยบายเนี่ก็เรื่องนโยบายเร่งด่วนถ้าล้มองตั้งนโยบายใหม่ แล้วก็เดินตามแนวนั่นใหม่ว่ามันผิดพลาดที่เราไม่ใช่ผิดพลาดที่คําสอนคําสอนดีอยู่แล้วพ้นทางบอกชัดเจนอยู่แล้วแต่เรานี่แหละจับพ้นทางผิดเรื่อยอย่างเนี้ยไอ้ตรงนี้มันผิดที่เราต้องตั้งหลักใหม่ต้องตั้งหลักใหม่อย่างเนี้ยชลอยว่าในสังสารวัตรที่ผ่านมามันไม่ได้ตั้งกันเนี่ยจริงๆอย่างอย่า ง, ง, งมันตึงเป็นแบบนี้ใช่ไหมต้องสายจะตั้งกันอย่างเนี้ยหรือหรือว่ามันจะมารวมขบวนกัน ตังศาสดาใหม่เขาเรียกอะไรนานาสัตรอุโลกันะภัยอะ่ะภัยในการเห็นมอกเงันเหยหน้ามองศาสดาใช่ไหมอันเนี้ยเยอะเลยเนี่ยตอนนี้ลุ่มลุ่มุม่มมาเต็มไปหมดแล้วยิ่งแสงเทียนของพระธรรมคาสอนพระเจ้าเริ่มเริ่มหลี่ลงหลีลงเลยถ้งหมดเมื่อไหร่ตัวนี้ยศาสดาจะเต็มไปหมดไอศาสดาแฝงกันเยอะ เข้ามาอย่างนี้ประกาศตัวเองไม่ชัดเจนในพระธรรมของวิะเจ้าเอาพระธรรมขงพระเจ้ามามาเป็นหลักแล้วก็ประกาศไอ้คันยังจะไม่กล้าฉีกตัวออกไปจริงๆอ่ะเพราะตนเองยังไม่มีบริวารเนี่ยไอย้นี้ก็เยอะเอาสิแล้วเราจะแยกแยะ ย, ยังไงในขณะที่เปิดวิทยุตุ๊บเปิดโทรทัศน์ปุ๊บแล้วก็จะดูออกมาพูดปั๊บปั๊ปัเต็มไปหมดเนตอนเนี้จะว่ายัางไงเรามีปัญญาแยกไหมเนี่ยตรงเนี้ยเออเนี่ยมันไทยใหญ่เลยนะเราแยกได้ไหมอ๋อ เขาพูดเรื่องมรรคเหมือนกันนะพูดเรื่องสติปัฏฐานเหมือนกันอาสิพูดเรื่องสมมติปัฏฐานอธิบาทอินทรพราพพูดชงอริยมรรคเหมือนกันนี่ยเขาก็พูดเรื่องฐานนักถาสีรักถาสัทธาคถาการมมัธยนาวะคถาเลขคำมานีสังสกถาก็พูดเหมือนกันอาสิทีนี้เมื่อเขาพูดอย่างนั้นเสร็จแล้วถามว่าถ้าเราแยกแยะไม่ได้ใช่ไหมถ้าอย่างเราเออครุกกระพับทำมาอย่างยาวนานมันก็เพิ่มจะมองเห็นบ้างใช่ไหมเช่นในกลุ่มที่ไม่ครุกอะมองลองเหลียวไปดูญาติมิ เอาญากิใกล้ชิดเนี่ยเอาเอายาติมาเนี่ยยาติของญาเนี่ยโอ้โหไปคนละมุมเลยถ้าไปพูดอย่างนี้นะก็บอกโอ้ยชีวิตเขาจะต้องทํามากินเน่ะทําไมเขาจะต้องมาเร่งรีบเรื่องนี้เอาติใช่ไหมเอาถ้าบอกว่าเขาต้องฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เขาจะเลี้ยงชีวิตยังไงใช่ไหมชีวิตเขาไม่มีจะกินเนี่ยเขาต้องฆ่าสัตว์เน่ะตื่นมาก็ต้องฆ่าสัตว์เขาต้องหาปลา เนี่ยเออเขาต้องเลี้ยงไก่เขาต้องมีที่ที่ขังไก่ขังเป็ดเอาสิจะว่างไงเขาต้องเขาต้องทําุปรุษสัท์ตรงเลี้ยงหมูนี่มันมันบันขนาดนั้นแล้วนะก็ยังไม่เห็นโทษอีกนี่ยตอนสมัยอาจารย์ยยเด็กที่เล่าไปบางเนี่ยก็เนี่ยอยู่กับว่ากับควา ย, ลยแล้ยตีเขาตีเขาด้วยความรู้สึกว่าสางสารเขาเนี่ แต่เขาบอกมันเป็นหน้าที่ถ้าไม่ตีไม่ได้มันฝึกเขาต้องฝึกเราต้องฝึกเขาเราคิดว่าเราจะฝึกเขาให้เขาได้ดีวะฝึกให้เขาเป็นงานเนี่ยโอ้โหการฝึกวัวฝึกควายเนี่ยยากนี่ไม่เคยฝึกกันใช่ไหมเนี่ยอ้มาเนี่ยเป็นนักฝึกวัวเวลาวัวควายตัวเล็กๆเนี่ยจะต้องฝึกยังไงที่จะต้องขี่หลังได้ฝึกยังไงจะต้องเข้าแอรเข้าไถนี่กันอยู่ในป่าอย่างนี้ เอาไปฝึกเอาไปเทียมแม็กเทียมกระถ่าย ม, มันก็โดดโดโดก็ตีมันนะฝึกไงจับสนธพายด้วยนะเออไปจับช่วยเขาให้เขาสนธพายนะไม้โอ้กล่มนี่หน้าหัวเลยใช้เหล็กเห ล, ล, ล็กไม้อะใช้ไม้แทงเข้าไปในรูจมูก้นี่นะแล้ว ก, เ ก, เก็เชือกร้อยเชือกร้อยไปเสร็จก็มัดที่จูงก็ไปดีอย่างเ้ยอาลสิไม่เคยรู้สึกว่านั่นเป็นกล่อมแต่รู้สึกว่าเออเรามีหน้าที่ฝึกเขา แล้วก็ฝึกเขาให้มันให้มันเป็นวัวควายที่ฝึกได้อันนี้ผมเป็นเหย็ดทำให้ะด ung สะเทือนนะเคยทำกรรมแบบนี้ั้ยเคยั้ยเดี๋ยวก็เคยถ้ายังเกิดอีกเดี๋ยวก็เกิดมันมีสองกรณีนะไปเป็นเองให้เขาฝึกกลับไปเป็นผู้ฝึกมากลัวตรงนี้นะตอนนี้เพราะเราไปทำกรรมตรงนั้นมาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปโดนฝึก สงสัยมันโดนหลายเท่าตัวบอกเนียงตอนสมัยนัย้นเองทาค่าบอเบาๆอยู่ที่ทีข้าบวบอกเลยไอ้มันจะเล่นแรงกว่าเราแต่โอ้โหที่ยังเกิดอยู่ยุ่งเลยเนี่ยยุ่งเลยไม่เห็นเลยแล้วไอ้เราก็โมหะปิดไอสัตว์ตัวนั้นก็โมหะปิดเ้าไม่รู้เนี่ยเขาดี อ, อกดีใจเข้าไปเขากินยากไอ้เราต้องการงานให้เสร็จน่าโง่จริง นี่แหละนี่แหละโทษของการเกิดนี่แหละโทษของสังสารนี่ความไม่พน้นถ้าไปอยู่ในสถานะอย่างนั้นแล้วเราไม่ทําแล้วใครจะทำเบื่อก็ต้องทําทั้งนั้นเขาบอก่าขี้เกียจใช่ไหมมันก็ถูกบังคับให้ทำเอาสิใครบังคับเระตัณหามานะที่ถีในใจเราอีกส่วนหนึ่งแล้วใครล่ะสิ่งแวดล้อมบังคับอีกส่วนหนึ่ง ถ้าเราจะไม่ทํากรรมแบบนี้เนะี่ยเขาจะเรียกไปอบรมหลายรอบทําไมขี้เกียจเป็นมนุษย์ต้องทํามาหากินเรื่องดินลนเกิดมาต้องทํามาหากินนะสรุปแล้วว่าชั่วก็ต้องทำใช่ไหมแต่เขาไม่บอกว่าชั่วนะเพราะเขาก็ถือว่าเป็นสมาชีพไอ้เนี่ยฆ่าปลาฆ่ า, าสาัตว์กันนี่แหะคือสมาชีพของเขานั่นแหละโดยหลักก็คือว่าคุณจะทําบาปคุณก็ต้องทํา คุณจะทำบาปบนชีวิตสัตว์คุณก็ต้องทำคุณจะล่มรวยบนเลือดบนเนื้อบนอะไรต่างๆของเขาคุณก็ต้องทำเพราะคุณเกิดมาแล้วเอาสิมันแน่นอนอย่างนั้นนี่งไงเราไม่รู้ว่าเบียดเบียนเขาอะใช่ไหมสิ่งที่เราทำทั้งหลายมันเบียดเบียนเขาอะแต่เราก็ไม่รู้หรอกเพราะมันเป็นอาหารเราก็เราคิดอย่างนั้นถ้ามันพูดได้ มันจะบอกว่ามันจะมันเกิดมามไม่ได้เปน็นเราเราลอกแต่พราะกรรมของมันนั่นแหละมันไม่ทาไว้ใช่ไหมไอ้คนทําอย่างนี้คุณก็ระวังไวหรือว่าคนเฮงไว้นไ ว, ไวนจากความเป็นเราเนี่ยตรงนี้อัฏฐานตรงนี้ยมันอ่านไม่ได้ไงทีเ น, นี้นะทีนี้ก็ในคําสอนของพระเจ้าพระเจ้ามีวิชาเหล่านี้มีวิชาจารณาสัมปันโนเป็นต้นเหล่นี้นะ พระพุทธเจ้ตรัสว่าดูก่อนมหานามาอริยาสาวกในศาสนานี้เป็นผู้มีศีลมีสุตตะเป็นต้นอันนี้ยอันนั้นก็ไปดูในมัชฌิมานิกายเนาะไปดูในมัชฌิมา น, าานาันท์พราะพระพุทธเจ้าประกอบด้วยวิชาเหล่านี้และเจรณะเหล่านี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงถวายพระนามของพระพุทธเจ้าบอกว่าวิชาเจารณะสัมบณุ ถึงพร้อมในวิชาและเจรณะไอ้ตรงนี้รายละเอยียดเก็บไปแล้วประการต่อไปก็ไปขึ้นบทคําว่าสุขโตมีการเสด็จดำเนินไปงดงามเนาะคือเสด็จไปในสถานที่ที่ดีเสด็จไปโดยชอบและก็ตรัสโดยชอบแม้ดำเนินไปท่านก็เรียกว่าเป็นการไปการเสด็จไปของพระบรมศาสาศาดาบริสุทธิ์และไม่มีโทษด้วยไม่มีราคะโทสะโมหะเจียบนในการเสด็จไปเนาะการเสด็จไปนั้นได้แก่อะไร ก็ได้แก่หนทางอันประเสริฐอันประกอบไปด้วยอริยามากมีองแปดแท้จริงสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมปะโปเป็นต้นอะเนี่ยจนถึงสัมมาสมาธิเป็นที่สุดเสด็จไปสู่ไหนไปสู่แดนอันกเกษมแดนอันกเกษมคืออะไรคือพระนิพพานเป็นต้นตรงนี้นะนั่นสรุปแต่รายละเอียดจะไปดูใีดีกรประกอบแล้วก็จะขยายทีนี้ในการเสด็จไปสู่แดนอันกเกษมของพระบรมศาสดา ห, หรือทางไอที่ประเสริฐที่สุดนั้นไม่ทรงข้องแวะ ไม่คือไม่ข้องแวะในสัตตตาทิฏฐิและอุเฉตทิฏฐิใช่ไหมในการเดินไปนี่นะในการไปสู่ที่อันเกษรเนี่ยไม่ไปข้องแวะด้วยความเห็นผิดประเภทขาดศูนย์หรือเห็นว่าเที่ยมไม่ไปข้องแวะโดยการมาสุ ข, ขาริการนิโยคือไปติดในวัตถุกามทั้งหลายหรือติดด้วยกิเลสการมทั้งหลายไม่ติดแล้วก็ไม่ไปข้องแวะในลักษณะของอัตต ก, กิรมาฐานนโยคทั้งหลายคือเครียดเลยกังวลหรือโทสะทั้งหลายเป็นต้นหรือทรมานตนเป็นต้น่ในพระองค์ไม่ไม่ข้องแวะสิ่งต่างๆเหล่านั้น จึงมีผานำเย็นทานผานำวัสุกโตมีการเสด็จไปงามเนี่ยมาจากคาว่าโสภณะขมนาน ต, ตาสุขโตโสภณะนับเบวังงามขัมมนาคือการเดินการไปการเสด็จนี่นะการดําเนินไปคือเดินไปดําเนินไปสู่สู่หนทางที่งามสู่สถานที่ที่ดี ที่งานนี่ยส่วนอีกอย่างหนึ่งสุขโตพร ะ, ะเสด็จไปสู่สถานที่ที่ดีเนี่นะมาจากคําว่าสุนทรังฐานนางกระตัดตาปีสุขโตที่ดีใช่ไหมสุขสุนทรังก็ดีเลยนะสุขตะเนี่ยแปลว่าดีก็ได้ฐานที่ที่ดีถาว่าจะไปที่ไหนนะในโลกเที่วโลกพรหมโลกไม่มีที่ไหนดีไปเหอะไม่ดีจริงๆเพราะเราเราเร า, เราเที่ยว